นั่งภาวนาธรรมดาธรรมดาซึ่งเป็นเวลาปล่อยงานข้างนอกคือความคิดเรื่องราวต่างๆภายนอกแล้วเกี่ยวกับสิ่งสัมผัสสัมผัธ์ภายนอกแล้วมาอยู่โดยล า, าพังจิตเฉพาะอย่างที่จิตกับกาย รื้กัน่งแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นเราก็ไม่เคยคาดคิดม่าเรื่องความกินจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมามรลานนั่งเหมือนนั่งท่าภาวนาคือละงับสิ่งที่เกี่ยวกับภายนอก เหลือแต่ความรู้โดยหลักธรรมาชาติข้างตนแล้วก็ดูกายความรู้นั้นดูกายขอยงตัวเองกายอันนี้กับวัตถุต่างๆที่อยู่ภายนอกกายไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยกายอันนี้จึงเป็นเหมือนวัตถุอันหนึ่งเช่นเดียวกับวัตถุภายนอก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 แต่ความรู้นอกจากความรู้แล้วมันยังกระจายออกไปเป็นเหมือนว่าในโลกอันนี้ไม่มีวัตถุอะไรเลยแต่ก็มีอีกอันหนึ่งว่าความรู้อันนี้ครอบโลกธาตุเนี่ยโลกมันเหมือนไม่มีอะไรเลยทำไมถึงครอบโลกธาตุคือความรู้เนี่ยมันเด่นสิ่งเหล่านั้นไม่ปรากฏแม้มีอยู่ก็ไม่ปรากฏในความรู้สึก มีแต่ความรู้สึกของตัวเองปรากฏกับตัวเองโดยเฉพาะมันจึงเป็นเหมือนครอบโลกธาตุแต่ธาตุแยกออกไปว่าครอบโลกธาตุถ้าไม่แยกก็มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นหลักธรรมชาติของจิตส่งเข้ามาสู่ร่างกายมันก็กระจายไปหมดแล้วร่างกายก็เหมือนไม่มี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 มีเรียวเป็นหลักปัจจุบันเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มันเป็นอยู่โดยลำพังตัวเอง <c oughs> โดยไม่ต้องเสกสรรตั้นยอมันอะไรเราพิจารณาเราพูดออกตามความจริงตรงนั้นจิตได้แยกตัวออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเสียก็เป็นดังที่ว่า สมมุติว่ามีกิเลสก็แยกกันออกจนกร ะ, กระทั่งว่ากิเลสไม่มีเหลือเลยส่วนกายยังมีเหลือความยึดมั่นถือมั่นในกายที่เป็นของมีอยู่เวลาจิตถอนออกมากายซึ่งเป็นของมีอยู่ก็มีอยู่ตามหลัธรรมชาติของตนแต่จิตก็เป็นอันหนึ่งของตัวเองนะคือสิ่งนั้นมีอยู่แต่ไม่ แต่มันแยกกันโดยหลักธรรมชาติมีหรืเปาคำ่ากิเลสมันไม่มีเงินไม่มีจริงๆไม่มีอยู่คนละสั์ละส่วนอะไรไม่เหมือนวัตถุถ้าเราจะแยกไปพวกเวทนาสัญญาลังการัญญานี่ก็ไม่ใช่กิเลสมันเป็นอาการของขันแต่ละขันละขันโดยกิเลสมาแทรกเข้ามา สันนี้จริงๆเป็นเครื่องมือของจิเหลดแต่และอย่างละอย่างไปได้ถ้าไม่มีอะไรจะออกจิเหลดตัวใดออกมาไม่มีที่จะออกมาอันนี้ก็เป็นเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งท่านั้นที่เรียกว่าขันรุนร้วนเป็นอย่างนั้นเองกายแม้มไม่ยึดถือกายก็มีอยู่จิตเหลดไม่ยึดถือแต่จิตเหลดมันไม่มีมันผิดกันตรงนี้ อันไม่ที่ย้าย น, นะมีว่าพูดจุดที่ของจิตของธรรมของกิเลสสามอย่างนี้ที่เคยเกี่ยวข้องพัวพันกันมาแต่เฉพาะอย่างยิง่งกิเลสกับจิตเป็นสิ่งที่ฝังตมกันจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่อาจรู้ได้เลยว่าจิตเป็นอะไรพี่เลนเป็นอะไรเพราะเป็นอันเดียวกันนี่จิตที่เป็นอันเดียวกันกับทิ่เลนที่เลนจึงมีอำนาจที่จะแสดงออกทุกแง่ทุกมุมก่อนทำจะแสดงออกมาทุกขณะด้วยเหตุนี้ท่านผู้มีความละเอียดกว่าพวกเราหรือท่านผู้เรียนวิชาของ ทำของกิเลสตกขึ้นลงผ่าณจิตใจเรียบร้อยแล้วมองดูพวกเราซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสนี้จึงเห็นได้ชัดชัดรู้ได้ชัดชัดว่าอาการใดที่แสดงออกมาเพราะกิเลส ต, ตัวใดเพราะกิเลสเป็นผู้ออกหน้าอยู่แล้วจะออกหน้าด้วย อาการของกิเลส ต, ตัวใดนั้นเป็นอีกแน่หนึ่งแต่ละอาการอาการของกิเลสที่แสดงออกมาจากตัวของเราการประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองเพื่อจะชำระกิเลสยินักมีกิเลสแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นโดยที่เราไม่รู้เลยแม้ที่สุดกําลังนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนคือทําความเพียรอยู่ในท่าต่างๆนั้นแ ส่วนมากมันเป็นท่าของกิเลสเกียรทั้งมวจะเป็นท่าของความเพียรในขณะกิรและเท่านั้นนอกจากนั้นจะมีแต่กิเลสทางานของตัวเองอยู่ในที่นั่งสมาธิที่ภาวนาที่เดินจงกมมรมทาความเพียรความเพียรความภาคความเพียรท่าต่างๆนี่จะเป็นเรื่องความเพียรของกิเลสเพราะสติปัญญาของเราไม่ทันนี่เบื้องต้นเป็นอย่างนี้เราไม่ทราบว่าเบื้องต้นของเราเป็นอย่างนี้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 ริททำงานใดอยู่อย่างน้อยสติต้องมีมรู้สึกตัวแม้จะไม่รู้อยู่กับทำบทใดเหมือนกับเรากำลังภาวนาก็าตามแต่ให้สติมีความสื่อต่ออยู่กับความรู้ขั้กตอนการภาวนาก็อีกก็สงบได้งา่ายถ้าเป็นฝ่ายสงบแต่พิจารณาอะไร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 มองหากิตไม่เจอพยานมาทางกายก็หมดทั้งร่างของเรามันก็เป็นเรื่องของกิเลสที่หมดทั้งร่างเพราะกิเลสจับจองไว้หมดแล้วกิริยาที่แสดงออกกิเลสจึงมีทางที่แสดงออกก่อนทําได้เสม อ, อผู้ไม่ยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันกับกิเลสประเภทต่างๆยังต้องเล่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 จึงยังไม่มีในใจที่มีน้อยจึงต้องเลยใช้ความตั้งอกตั้งใจมีเจตนาเต็มสติกำลังของตนด้วยกันทุกคนที่จะกำจัดิชะล้างที่เหลืแต่ว่ากำจัดก็ตามแต่ว่าชาล้างก็ตามต้องเต็ไปด้วยเจตนาทั้งทั้งนั้นเมื่อมีเจตนาแล้วสติก็ต้องมาด้วยกัน เราภา ว, วนากำหนดอนาปาณาติลมหายใจหายใจเข้าออกสติเป็นเครื่องอยั่งอยู่กับวงภาว น, นานั้นไม่จิตมันปรุงออกไปได้เดีย๋ยวเราอยากเข้าใจว่าอารมณ์มาจากภายนอกมากวนใจมันมีอารมณ์ใดมากวนใจมีแต่ใจกวนตัวเองที่เลือดมันผลักดันออกมาให้คิดทักดันออกมาให้เสียดายความคิ ด, ค ว, ค, ดความปรุงต่างๆ เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเี่จะมีจากสิ่งภายนอกก็คือสิ่งที่มาสัมผัสเช่นเสียงเวลาเราภา ว, ว น, นาเสียงกระทบปั๊บถ้าคนภายในนี้ไม่ตึงขึ้นผลักดันออกไปตึงเสียงกม็มีความหมายแต่อาศัยเสียงที่เรียกว่าจิตกระเพื่อมขึ้นมาและไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมันก็เป็นของมันได้อง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 ทำใจให้สงบ ต, ตามความต้องการไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าเรื่องนั้นคือเรื่องของกิเลสความอยากคิดอยากปรุงในเรื่องราวต่างๆอดีตที่ล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนแ ล, ล, ล, ล, ละลึกได้เมื่อไหร่เพะกิเลสพาให้เราลึกไม่ใช่เราลึกได้เองกิเลสพาให้ราลึกกิเลสพาให้ติดพันกับเรื่องนั้นๆไม่มีจบมีสิ้นวงความเพียรก็หายไปหมดเพรบะถก อารมณ์เหล่านั้นเข้ามาเหยียบย่ําทํำลายซึ่งรวนแรงแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเหยียบย่าทํำลายวงแห่งความเปลี่ยนของเราในขณะนั้นน่ะนี่เราจะทราบได้ชัดก็ถึงขั้นควรจะทราบได้ชัดคือทราบได้อย่างเต็มภูมิก็ถึงขั้นเต็มภูมิไม่ต้องบอกทราบไปเองเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เอาที่ลงกิเลสได้สิ้นไปหมดจากใจความอยากมาจากไหนไม่มี อยากคิดเรื่อง น, นั้นอยากปนนรุงเรื่องนี้จึงทําให้รู้เรื่องของกิเลสได้อย่างชัดเจนเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่พาให้ปรุงต่างๆพาพาให้เสียดายอารมณ์พาเสียดายเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องใกล้เรื่องไกลอดีตอนาคตไม่มีสิ้นสุดนี่เปเรื่องของกิเลสมันพาวาดพาไปทั้งนั้นลมลมแรงแ้ๆแต่ผลมันไม่ลมแลง้ลงสิ มันเกาะกลัท่องมาอยู่ที่หัวใจซึ่งเป็นสถานที่ทํางานของกิเลสเมื่อเกิดความทุกขร้อนขุ่นงัวภายใน จ, ใจิตใจจิตมันไม่มีที่เลยจะอะไรจะเสียดายอะไรไม่มีอะไรเสียดายเหลือตั้งแต่ความรูม้มลนวนๆความรู้ไม่มีเรื่องจริงมันก็ทําให้ทราบชาัดว่าเรื่องทั้งหมดเกิดมาจากอะไรในขณะเดียวกัน เมื่อไม่มีอะไรผลักดันมันกม็มีเรื่องไม่มีเรื่องอยากให้ผลักดันออกมามันก็ประมวลลงได้ว่าอ๋อเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากที่เหลยอซึ่งเป็นเจ้าเรื่องจอมเรื่องเนี่ยพอจอมเรื่องเจ้าเรื่องจอมข้อควรนี้ถูกทำลายลงไปแล้วมันไม่มีอะไรเหมือนบ้านร้างแต่มีคนอยู่ บ้านร้างคืออะไรยิเลศมันพังทลายไปหมดตัวเป็นพริกเป็นไผ่ต้องสักไวยยึดนั่นยึดนีนน้ควานั่นควานนี้ถูกทำลายไปหมดแต่คนยังมีอยู่นั่นก็หมายเหลือแต่ขันกับความรู้ที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งใดและต่อตอนเองเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆเนี่ยเพื่อเหมือนบ้านร้างแต่มีคนอยู่นะ ขันยังมีอยู่ความรู้นั้นยังมีอยู่แต่ผู้ที่พาให้ก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆนานานะอันเป็นความไม่สงบนั้นคือกิเลสได้ตายไปหมดแล้วจึงเป็นเหมือนกับบ้านร้างเนี่ยเปนน็นอย่าง น, นั้นเองนไหบ้านรางมันเต็มเพราะเพราะชุลายามเมาบ้านในขันขันของกิเลส เป็นเครื่องมือของกิริย์มันเป็นกายเป็นด้วยความมึนความเมาอยู่ตลอดไม่มีมืดมีแย่งมีสว่างอะไรเมาอยู่ด้วยกิริย์ตันหาอสะวะทาทำพอน้ำก็ไม่หลงทูกิรีย์ทุนลากไปต่อหน้าต่อตาเดินจากลมอยู่ก็ได้ช่วงกี่วินาทีนั่นก็เผลอไปแล้ว นั่งสมาธิตั้งท่าตั้งทางกับองค์แห่งสมาธิของตนก็ไม่กี่วินาทีเราไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนาทีเลยถ้าถูกมันลากไปแล้วถูกมันลากไปแล้วกว่ารู้ตัวที่ไหนมันอยูบ่บนเขียงจนเป็นลากไปแล้วอืมแหลมคมหมที่เลือดูเอาฟังเราเลยเพราะฉะนั้ น, น, นในตัวของคนแต่และคนกิริยาที่แสดงออกมันบอกคุณมีตัว นี่เลยมันจะเหนือทําได้ยังไงเมื่อทําเหนือกิเลสมันต้องมองกิเลสรู้ชัดเห็นเรื่องของกิเลสได้อย่างชัดเจนถ้าให้เหนือกิเลสนั่นสิกิเลสเหียดย่ำทำลายทำลงไปในท่าต่างๆของความเปลี่ยนจนไม่มีเหลือนี่ต่ภาวนามันไม่ได้เหตุได้ผลได้เรื่องได้ราวหาความสงบร่มเย็นภายในตัวเองก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหตุดังที่กล่าวมานี้มีแต่กิเลสเข้าไปแทรก จะได้วงงานเสียหมดเราเอาแต่ชื่อแต่นามเอาแต่จียาแห่งการประกอบความเพียรนับวัดเจ้าของเป็นความสาคัญมั่นหมายว่าเราได้เดินจงกรมเท่านั้นชั่วโมงตายนิจชั่วโมงนั่งภาวนาเท่านั้นชั่วโมงเท่นี้นาทีเอาแต่ลมลมแรงแรงมาพูดความจริงมันเป็นเรื่องของจิตเดชเอาไปจริงเสียหมดนี้เราก็ได้แต่ใจลมลมแรงแรงเมืม่อเป็นอย่างนั้นผลคือความสงบร่มเย็ยนของใจมันก็ไม่เกิด ถ้าหากว่าปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมานี้กิเลสตัวไหนจะดื้อด้านหานสู้ทาไปได้วะต้องสงบลงจนได้มันจะคึกขนองยิ่งความม้าตัวแสนขนองก็เถอะจะไม่พ้นอำนาจของสติอันดับที่สองก็อของปัญญานี้ไปได้เลยในเบื้องต้นที่จะให้จิตสงบต้องไม่พ้นวิสัยของสติควบคุมัน ก็ต้องเห็นผลไม่เห็นได้ยังไงทางอยู่ตรงนี้ทางความสงบอยู่ตรงที่สติมีสิบต่อมีความเพียรมีความอดความทนเป็นเพื่องสนับสนุนให้สติได้สืบต่ออยู่ด้วยความระมัดระวีงต้องสงบต้องเย็นภาวานามากี่ปีกี่เดือนก็ไม่เรื่องก็มิแต่เรื่องเลาะแหละเลาะแหล จะเอาเรื่องความรินคือทำมาจากไหนนี่แหละที่เป็นห่วงหมู่บ้านมากอยู่ด้วยกักี่ปีกี่เดือนเทศให้ฟังจนหมดเปลือกแล้วเวลานี้ไม่มีอะไรเหลือล้วเป็นยังไงผลผู้มาพุทปฏิบัติเพราะ ท, ที่จะเป็นทุนเป็นหล่อนในพื้นของหัวใจตนได้บ้างหรือไม่นี่น่าคิดอยู่มากทีเดียว เหยียดายอะไรกับโลกสงสารอันนี้เราเกิดมาทำกลางโลกนี่อยู่แล้วความเป็นอยู่ของจิตก็คือเรื่องโลกล้นล้วนอยู่แล้วดีชั่วก็ควรจะเห็นผลกันมาโดยลำดับกําดาเพราะอยู่ด้วยกันพราอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหนานกับโลกคือเรื่องไดเลือกต่าหาอาสวะดีชั่วประการต่างต่างเวลานี้จะปฏิบัติธรรม รถของโลกเป็นขนาดไหนก็ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วโกหกกันหน้าอย่างไรเรื่องรถของรถของโลกน่ะมีรถของธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องเทียบเคียงและเป็นคู่แข่งกันนั้นเรายังไม่เคยประสบพบเห็นเลาวเราเชื่อต่ออัตตธรรมเชื่อครูบาอาจารย์ มันประกอบความภาคเพียงก็ควรจะเอาความเชื่อนี้อย่างลงให้ลึกๆภายในหัวใจบ้างถ้ายังไม่มากก็บ้างเถอะก่อนแล้วอย่างลงไปด้วยสติบังคับจิตใจด้วยสติเพื่อความสงบมันจะสงบไม่ได้จริงๆหรอือมันจะคึกขนองไปไหนเคยคึกเคยขนองมาแล้วจิตนี้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบบบนี้มันเคยสงบตัวลง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 เป็นอันดับที่ออกไปจากความสงบจายหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาให้มีความแ ย, ยบคายทางด้านปัญญาในแง่ต่างๆของธาตุของขันเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุในขนันนั้นๆไปได้อย่างไรเมื่อจิตก็กําลังฟุ้งซ่านลำคาญหิวโหวยตลอดเวลาพาพิจารณาเรื่องอะไรก็ปัญญาอารมก็ถุกกระลาไปเสียไม่เป็นปัญญาไม่เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาได้เลยเพราะจิตกําลังหิวโหวยด้วยความ ก, กังวลกวายสายแสด จึงต้องให้อาศัยจึงต้องอาศัยอบรมการความสงบให้จิตได้มีความสงบตัวนั่นแหละพอจิตมีความสงบตัวได้มากน้อยอย่างไรจิตก็เริ่มอิ่งตัวขึ้นมาพอที่จะมีทางที่พิจารณาทางด้านปัญญาได้ไม่มีหงุดหกิดอารมณ์ดังที่เคยเป็นมาเนี่ยหลักการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นขอให้เป็นที่ลงใจสำหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลาย <c oughs> เอาให้จริงให้จัง ของวิเศษอยู่กับธรรมแท้ๆไม่ได้อยู่กับกิเลสนตถนาสารประเภทใดๆพอที่จะหลงตามคล้อยตามอยู่ตลอดมาจนขนาดปัจนนี้ยังไม่อิ่มพอกันมีเหรออืมนี่น่าดีคีบกับกีกันเอาประมวลในชาตินี้ตั้งแต่เกิดมานี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้มาแล้วก็คุกค้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันเกิด มาสัมผัสสัมพันธ์มันก็เลยสัมผัสสัมพันธ์นอนจมอยู่ด้วยกันมาอยู่แล้วไม่พอจะเห็นโทษเห็นคุณของมันบ้างหรอเอามาเทียบกับธรรมะเป็นอย่างไงควรจะมีแก่ใจพิิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นจอมปาราดฉลาดแหลมผมและเลิอดก็คือพระพุทธเจ้าทำพาให้พระองค์เลิือดนี่เลืไม่ได้พาให้เลิอด ทำไมจิตต้องเอากิเลสมาฟัดมาเหวี่ยงมาทําลายทำมรรเสียตั้งทั้งที่ประกอบความภาคเพียงอยู่เวลานั้นได้ลงคอมั้นน่าพิจารณาอมากหากว่าไม่เอากิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายทำในขณะที่ประกอบความเพียงอยู่แล้วทําไมจิตจะหาความสงบไม่ได้ก็เราทําเพื่อความสงบแต่แทนแล้วเราทําเพื่อปัญญาความเฉลียวฉลาดแล้มคมให้รู้แจ้งแทงทะลุตามความจปินทั้งหลายที่กิเลส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 ควาสงบก็มีแต่ความฟุ้งซ่านออกหน้าออกตาเสียความฉลาดทางด้านปัญญาก็มีแต่ความโง่ออกหน้าออกตาเสียซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วเราจะอะไรมาเป็นสาระภ า, ายในจิตใจของเราสําหรับเป็นผู้ปฏิบัติเล่าในมันน่าคิดอยู่มากนะผมก็อดพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานาทําทไมจิต ใจถ้ามันได้ดื่มรสแห่งธรรมปรากฏยี่ยัดยับขึ้นมาทางภาคปฏิบัติซึ่งเป็นความขียนตนมันจะอดพูดได้เหรือืนี่เราเคยเป็นมาแล้วอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเคยเวลามันไม่ได้เรื่องเวลาขึ้นมาท่านก็นไม่ทาจะพูดอะไรนี่จะกลัวท่านเป็นตัวสั่นกลัวก็แบบ แม้เหตุได้ผลเพอมันเข้าใจเท่านั้นมากน้อยมันเกิดความตล้าหาญฐานใจขึ้นมาตามกําลังของตนฐานะของตนภูมิจิตภูมิธรรมของตนในเวลานั้นนั่นพูดกับท่านได้อย่างเต็มเปล่าเลยความตัวเลยหายหมดอยากจะพูดเพราะมันถึงใจตัวของในการทำของเจ้าของเองผลทั้งเหตุที่ทําลงไปก็ถึงใจผลที่ปรากฏขึ้นมาก็ถึงใจตามภูมิจิตภูมิธรรมของตัวเอง แล้วมันออกมันพูดออกมาได้อย่างไม่สะทกสะท้านเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอนี่ก็เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วถ้ามันเป็นมาในจิตทําไมมันพูดไม่ได้มันต้องพูดหน้ามันอยากพูดยิ่งกว่าอะไรยิ่งนั้นครูบาอาจารย์แล้วมันเป็นที่ฝากเป็นฝากตายทําไมจะไม่อยากพูดกับท่านเพราะครูบาอาจารย์เป็นที่ฝากเป็นฝากตายของเราแล้วไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดแล้วพูดเพื่อความภูมิใจของเรา ขาดคล่องตรงไหนให้ท่านบอกให้ท่านแนะท่านจะว่าขนาดไหนยอมรับทั้งนั้นขึ้นชีวธรรมแล้วต้องยอมทำจากครูบาอาจารย์นอกจากกิเลสมันจะไม่ยอมอะไร <c oughs> นี่หมายถึงความรู้ภายในใจเพียงขั้นสมาธิมันก็พูดได้ดิงขั้นปัญญาประเดิมดับมันพูดไม่ได้อย่างไรดูเวลาท่านปวย้หนักใครกเกี่ยวข้องท่านนั่นมาอะไรแล้วยังเข้าได้สบาย มันนมีเรื่องจะพาให้เข้าถึงท่านท่านนอนอยู่สบายเงี ย, ยบตอนบ่ายๆจิดขอเรามันหมุนเกี้ยวเกียวเกียวไม่มีเวลาทั้งวันทั้งคืนบางคืนมันไม่หลับเลยปัญหาจะไม่เกิดได้ยังไงก็มันต่อสู้กับกิเลสทั้งวันทั้งคืนมันจะ ม, มีปัญหาได้ยังไงก็กิเลสทั้งมวลมันเป็นตัวปัญหาเนี่ยทําจะฟาดฟันกับกิเลสทําไมจะไม่มีปัญหาต่อกันขึ้นมา นั่นแหละมันได้เรื่องเหล่า น, นั้น่มากราบเรียนจะเป็นเรื่องคล่องใจก็กราบเรียนท่านเป็นเรื่องที่เป็นความรู้ความเห็นที่เป็นที่แน่ใจก็กราบเรียนท่านให้ท่านเสริมถ้าตรงไหนว่าผิดตรงไหนท่านคนนีท่านก็บอกที่ถูกตรงไหนแล้วก็เป็นเงินมาเสริมมันก็ยิ่งเน้นหนักลงไปเพราะว่าแน่ใจว่าถูกต้องแล้วแล้วของก็แน่ใจอยู่แล้วด้วยท่านผู้ผ่านไปแล้วเข้าใจแล้ว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 ภาวนาไม่ได้เรื่องในลาวอยากเข้าใจว่ามีความสงบภายในจิตมีความสบายนะเพศไม่ได้เป็นเป็นแต่ชื่อว่าเพศที่เป็นที่สบายเฉยไม่ได้ทํำไ้ทํานาทํำรู้ทําสวนซื้อถูกขายแพงเหมือนโลกเขาเป็นความสบายก็ เ, เป็นเรื่องร่างกายต่างๆใจมันมีงานอยู่ตลอดเวลาแล้วเอาความสบายมาจากที่ไหนงานองใจเป็นสิ่งเป็นงานที่กิเลสบังคับให้ทําแล้วมันจเอาความสุขมาจากที่ไหนถ้าไม่ใช่งานที่ทําบังคับให้ทํา กิเลสบังคับเราเรายังบงมันยังบังคับได้พอใจบังคับทําไมเรานํำทำรรมาปฏิบัติให้ทําบังคับเราต่อสู้กิเลสทําไมเราถอยได้ถอยไปทำใหม่แต่ก่อ น, นมันก็แพ้อยู่แล้วนี่ยังจะถอยเพื่อแพ้พพพหาอะไรอีกมันเลยแพ้ไปแล้วนี่นอกจากจะสู้เข้าเพื่อความชนะเท่านั้นความแพ้กิเลสมันดีเมื่ อ, อไหร่ถ้าดีโลกนี้มีเสียกันหมดแล้วสงสัยอะไร อ น, นิจจังทุกขังนาตาครอบโลกธาตุอยู่แล้วมันก็เหมือนกองจักราว่า น, นิจจังทุกขังนาตาไม่เหมือนกองจักรเหมือนอะไรเฮงเราสงสัยอะไรอยู่หลังพิจารณาให้จริงให้จริงแล้วปฏิบัติมันเห็นเป็นจักรนี่ทําอยู่ที่ใจะแทะเดี๋ยวนี้ก่เลืสมันอยู่ที่ใจนี่มันแทนทำอยู่ ทำหาที่แทรกไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับไว้ไม่แทรกเพียงแต่ขั้นสงบก็แทรกไม่ได้แต่าทาความเพียรมันก็บังคับไว้เสียเป็นเรื่องของความเพียรของกิเลสไปเสียไม่ใช่ความเพียรเพื่ออัดเพื่อทำแยกกันออกบังคับออกดังกายนี้มันก็จะจะแตกอยู่แล้วไม่กี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่ระวังออะไรจากมันมันก็เป็นร่า ง, งมันอยู่เพียงเท่านี้ะถึงมาล่า ง, งมันแล้วใครจะร้างมันไว้ได้ ทั้งด้วยกันทั้งนั้น่ะแล้วอะไรที่เป็นสานาสําคัญก็คือใจที่ไม่ต้องแต่ต้องหนับเหมือนสิ่งทั้งหลายแต่สิ่งที่แทรกอกับใจนั้นคือยาพิษทันทีมันจะทําให้เกิดความเดือดร้อนต่อไปอ่าทําถับไล่มันออกไปสมถะทำวิปัสสนาธรรมสมาธิทำสติธรรมปัญญาธรรมแท่กลงไปแสงลงไปขับไล่ออกไป อย่างนี้หลตัวไผ่ <c oughs> ต้องฝืนผู้ปฏิบัติฝืนกิเลสจะฝืนอะไรสิ่งที่ให้ฝืนมีแตกิเลสทั้งนั้นเพราะกิเลสมันฝืนธรรมกิเลสมันเป็นค่าสิ่งกับธรรมกิเลสเต็มตัวเราทําไมเราจะไม่ฝืนธรรม ม, มันไปฝ่ายกิเลสอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติทีนี้เราฝืนกิเลส เพื่อค้อตามธรรมเพื่อปฏิบัติตามธรรมนำธรรมเข้ามาแก้กิเลสก็ทั้งฝืนเลยถึงไหนถึงกันตายได้ตายได้ในโลกนี้มันเบื่อเมื่อปัจฉามันมีอยู่หมดโอ้เขาทุกข์ลำบากเพื่อจิตการงานอื่นเขาก็ตายเราทุกข์ลำบากเพื่อการถอดถอนกิเลสฆ่าปันกิเลสจะตายก็เห็นสิอะไรจะตายก่อนตายหลังไม่รู้ ฉุดท้ากับพิเรนนั่นแหละตายผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตายให้ได้เห็นความสามารถทั้งตัวเองบ้างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมมีมองหาสาระสําคัญของตอนเป็นที่ภูมิใจในความภาคเพียรการต่อสู้ของตอนไม่เจอนี้ทํำไงเราจะอะไรเป็นที่อบอุ่นเย็นใจอย่าน้อยก็ให้เห็นสาระสําคัญของเราในการต่อสู้กับพิเรน ภาคปฏิบปทาเวลาเด็ดก็เด็ดเอาจิงโอจังเวลาเห็นก็มันก็เป็นแบบเดียวกันนี่อย่างเด็ดอย่างขาดเหมือนกันอย่างถึงใจนั่นแหละความอาถรรพ์นี่แหละเป็นสาระคุณเป็นหลักใจของเราเราเคยชนะมาแล้วทัว่ววิธีการของเราอย่างนี้แล้วนี่แหละวิธีการนี่แหละที่จะต่อสู้ในการต่อไปพราะ เป็นต้นทุนแล้วผลก็เป็นต้นทุนแต่ว่าต้นเหตุเป็นต้นทุนแล้วเลยต่อไปก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเหนียวแน่นไม่มีอะไร ย, ยิ่งกว่ากิเลส อ, อะไรจะเหนียวจะแน่นยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจตัดไม่ได้ขาด ง, ง่ายๆ่ายดีไม่ดียื่น ด, ด, ด, ด้ามดาบให้มันตัดหัวเราซ้ำแซ้าํา มองไปที่ไหนก็มีแต่ลักษณะนั้นดินเดินนั่งนอนนี่เป็นเรื่องของกิเลสเหยียบหัวผลเหยียบหัวพระกรรมาฐานเห็นพระกรรมาฐานเหยียบหัวกิเลสกิเลสได้เหมาะบั่งสักตัวสองตั ว, ต ว, ตวมีทั้งร้อยทั้งพันทั้งหมื่นทั้งแสนของกิเลสก็มีตั้งแต่ปี น, นึงขึ้นเหยียบหัวเราคนเดียวกิเลสเป็นสันแสนแยังทนได้อยู่หรือถ้ามันเหยียบะ แล้วก็เหยียบมันนะมันตายสักตัวสองตัวอย่างน้อยสุดก็เลรนมันไม่ได้เหยียบตัวใหญ่ๆก็เหยียบเหรนมันมันแหลกเห็นไหมเหยียบเลนก็เหยียบหลานมันหเหยียบลูกมันเข้าไปฟันหัวลูกหัวแม่มันลงไปหัวพ่อมันลงไปฟันหัวปุญญาติยามยุเด็ดลงไปมันขาดสะบัดเห็นเป็นไรแล้วความผลข่งการฟันยุเด็ดขาดสะบันลงไปจากจิตใจด้วยปัญญานั้นจะแสดงตัวเป็นความแปลกประหลาดอัจฉ ร, รย์อย่างไรบ้าง ไอ้กิเลสเยียบหัวเรามันอัศจรรย์ที่ตรงไหนเอามาเทียบกันบ้างที่นักปฏิบัติแล้วโง่ขนาดไหนแม้แต่เลนเลนทองกิเลสก็มันเหยียบเอาได้ไม่มีท่าทางอะไรเลยเหมือนเป็นของตายคอยมันดีแล้วล้านกิเลสเลนกิเลสขึ้นมาก็เยียบเอาเหยียบเอาลูกกิเลสโถขึ้นมาก็เหยียบเอาเหยียบเอาอืม แต่ว่าแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเหยียบมันขี้รถอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้แต่ลูกหลานเลนเหลนมันก็ยังขี้รถ เ, เ, เ, เหยียบเราเขาสู้มันแค่เขาได้เหยียบลูกเหยียบหลานเหยียบเหลนมันฟันหัวลูกหัวหลานเหลนถึงพ่อถึงแม่โคตรแทบปู่ย่าตายายมันแหลกแตกกระจายไปจากใจเอาที่นี่ใจดวงนี้นหละดวงที่เป็นห้องน้ําห้องส้วมไอยจเละ ถ่ายตลอดเวลาเนี่ยจะกลายเป็นจิตชนิดใดขึ้นมานในใจดวงนั้นเมื่อทําได้เข้าครองใจแล้วเริ่มแต่สมาธิทำขึ้นไปถึงปัญญาทำขั้นนั่น น, นตลอดถึงมิมุติธรรมไปมืหัวใจแล้วอะไรที่นี่จะเลิศยิ่งกว่าใจดวงนี้มันก็เห็นชัดเจนเลยที่ความเร็วลนะายของกิเลสเป็นยังไงแล้วความเลิศประเสริฐของธรรมเป็นยังไงในใจดวงเดียวนั่นแหละที่มัน เคยอยู่ด้วยกันกับพี่เล็แล้วเคยอยู่ด้วยกันกับธรรมทินธรรมเขะแทนที่แล้วธรี้เป็นธรรมสมบัติเป็นอัตดสมบัติขึ้นมาเป็นอย่างไรนี่ผูปฏิบัติมันมีแก่ใจคำหมักคานิ่งอดทนเเรื่องภายนอกเพียงอาศัยไปเั่วการเจ้าเวลาเท่านั้น ไม่เห็นมีอะไรสำคัญยิ่งกว่าการประกอบความเพียงเพื่อขอตัวถอนกิเลสภายในจิตใจทุกระยะให้จิตตั ก, กลงจุดนี้อยู่เสมอยาได้ลืมตัวถ้าลืมตัวแล้วก็เหลวไหลไปไม่รอดนะนี่ก็อ่อนเพียไปเรื่อยๆวัยเป็นไปตามวัยเป็นไปตามโลก เดี๋ยดูต้องออกครรษามาแล้วนี้แม้ก็เดีประชุมอบรมหมู่เพื่อนเหมือนแต่ก่อนเลยก็เพราะสุขภาพไม่อํานวยมนี่เป็นหลักใหญ่วันไหนคิดว่าจะประชุมฉังเกตดดูอันนี้ในตัวเองมันก็ไม่สะดวกเสียก็ต้องนงงดไปเงนไปซึ่งแต่ก่อนเราไม่ได้เคยงดถึงขนาดนี้การอบรมหมู่เพื่อนปีนี้รู้สึกว่าน่งดมาเั้นนาน เรื่องการงานดุงเรืองวุ่นวายก็เป็นอีกอย่างหนึ่ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งเราปิดได้สิ่งเหนั้นแต่ปิดไม่ได้ก็คือโรคภายในตัวของเราอดูเฉยๆเวลาจะเปน็นก็เป็นขึ้นมาเพรมีอากาศอบเป่าบ้างอะไรบ้างนัาจะทำเราเบ่ง่ายเป็นขึ้นมาแล้วก็ขาดกิดที่เราจะต้องทําต้องเอ็นไปตามนะมัน คล้อยไปตามโรควันนี้ไม่คล้อยมันก็เป็นจริงๆหมูเพื่อ น, นให้เอาเทปไปฟังพันน้เทปเวยมากมาไกลกองอยู่แล้วเครื่องเทปก็มีมากฟังด้วยความสนใจจดจอ่อตั้งใจกึกปฏิบัติการจัดกิเลสที่เป็นตัวภัยออกจาก จ, จิตใจใจมีความสง่าผ่าเผยด้วยธรรม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 เราเคยอยู่ในโลกมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงตอนนี้ถ้าควรจะปล่อยใจลงปลงใจลงได้ในจุดใดว่าเป็นความสูกความสบายเราก็ปล่อยมานานแล้วเพราะเราอยากจะปล่อยความถูกความสบายลงสู่ความถูกความสบายกับโลกนี้มานานเจาะแสวงหากันยุ่งไปหมดในโลกนี้ไม่ใช่หาจุดหมายปลายทางหาความสูกความสบายเป็นที่ตรงจิดตรงใจไม่ใช่หรือแต่มันทำามมันตรงไม่ได้โลกเพราะมันไม่มีที่ตรง เนื่องจากหัวใจไม่พาตรงหัวใจันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภายในตัวแล้วจะ้าตรงที่ไหนมันก็เป็นไฟทั้งกองเหู่มันตรงลงได้ยังไนถ้าไม่ดับไฟที่ตรงนี้แล้วตรงที่ไหนหตรงได้เริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมตรงไปได้โดยลับปัญญาธรรมถึงขั้นอิมุติธรรมตรงได้หมดเรียบธรรม า, าสุดท้ายก็อยู่ที่จุดนี้เราจะไปะหาบ ตรงใจลงที่ไหนที่เป็นที่แน่ใจไว้ใจได้นับแต่น้อยเปอร์เซนต์ไปจนกระทั่งถึงร้อยเปอร์เซนต็มบริบูรณ์ถ้าไม่ตรงลงที่นี่ไม่มีที่ปโปร่งกว้างแสนกว้างนั้นกว้างมันก็เป็นดินฟ้าอากาศไปอย่างนั้นจิตใจนี่สิมันแผ่กระจายความทุกข์ความลําบากไปเพราะคําที่ว่าโลกกว้างแสนกว้างนั่นแตกแขนงไป มากขนาดไหนพอพอกันหรืยิ่งกว่านั้นถ้ทไม่ปร่งลงที่จุดนี้ไม่มีที่ปรง่ง ม, มีที่เหมาะสมไม่มีที่ตายใจได้ไหวใจได้พยายามหาที่ปรงให้ได้ด้วยความภาคเกียนของเราแล้วยกขึ้นเสมอว่ า, าพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงค์ท่านตรงที่ไหนกันทำได้ปรากฏขึ้นในโลกกราวไหวบูชาก็เพราะจุดนี้เท่านั้นเป็นที่ปรง พระพุทธเจ้ากรงกิตฆ่ากิเลสหมดแล้วธรรมก็เต็มดวงขึ้นมาที่นี่ถ้าสงฆ์ก็เหมือนกันพระนงางคะฉามีถึงจุดนี้เป็นหนักเป็นเกลียว<ม>ไหนจะมีแต่เรื่ของกิเลสพระนั้างคะฉามีอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเป็นงวาจา ม, มันเป็นยุทธานาจิตใจไม่จะหมอบราบพระนางคะฉามีกับกิเลสอยู่ตลอดจะหาธรรมมาสนองคะฉามีที่ไหนไม่ไมี เหลือไหลที่พูดปฏิบัติพูดประปาวเหมือนหลอกกันนี่ไม่ได้หลอกนี่พูดจากความจริงอาจฐานเต็มทีนะ่ในความจริงเราเคยพูดธณาเคยปฏิบัติมาแล้วเลยแม้แต่เวลาเล่นความเพียนมันถึงขั้นความจริงมันนันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่กล้าหาวโอเวลาจะตายมันจะเอาเวทนาตัวไหนไปหลอกเราวะนัะ่งมันมันจะเอาเวทนาตัวนี้เองไปเวทนาตัวนี้ก็รู้มันแล้วนี่ตัวไหนจะมาหลอกเราได้วะ เรื claro. sea, ่งขั้นนั้นมันก็ยังถึงความจริงนั้นมันยังถึงใจของตัวเองไม่จะเข้าไปานเรื่องความตายค้นลงไปหาเรื่องความตายอะไรมันตายแล้วค้นลงไปยิงมันมีอะไรตายดินเป็นดินน้าเป็นน้าลมเป็นลมไปไปเรียนนาแลเกิดดับเกิดดัของมันมีอะไรงี้ท่านท่าท่านยังไม่ตายนี่มันก็เกิดดับของมันให้เห็นดูประจําแล้วอะไรมันตายแล้วคนก็มาดูจิตจิตมันยิ่งเด่นอะไรมาตายมันโกหกกันหลอกเนี่ย โกหกกันคำแม่เหล็กหมาถึงแม้เขาเจตาเาเนาโกหกนะแล้วก็พูดตีปากเลยโอ้ยโลกโกหกกันก็กินคือเลเนาะโกหงคนอื่อยน้ำฟาดกันเต็มเหนี่ยวโลกทุกเวทนาเราก็ไปได้ตอนนั่งนั่งหามหนุหามค่าแล้วตอนมันจนก่อนฟัดกันไปได้รับผู้ชา้าหนิมากฝังใจอยู่ไม่ลืมมันเป็นแค่จริงๆแล้วไม่มีใครอะไรกลัวอะไร ก็มันมีแต่ของกินเต็มตัวกลัวอาหารไหนั่นขายก็กินตามเรื่องของกายแเวทนามันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็เป็นความยินของมันอันหนึ่งจิตมันก็เป็นความยิงของมันต่างอันต่างบางท่านตีวามมันอยู่ในจิตนี่นะมันก็ทราบมันนี้เลยชัดเจนเลยจิตสิ่ของกินจิตเป็นผู้หมายต่างหาเพราะจิตหยุดความหมายเพราะจิตรู้ริงในสิ่งอันต่างอัต่างกันแล้มันไม่กระทบกัน เราเวลาตายเราตายก่อนแต่หลังเรตายยืสุดท้ายเรามีอะไตายที่หน้าดูจิตตัวเพือกลัวตายตายมันก็ไม่กลัวโดนนั้นด้วยมันก็ไม่ตายด้วยมันยิงเด่งมันโกหกกันเนี่ยไม่มีใครมบอกมันก็รู้เองทำมือเจ้าข้าในที่ไหนวะน้อหาที่ข้ามันยังเหมือนองค์จักรดประทับอยู่ตรงหน้าตลอดเวลานี่สิ เนี่ยสำคัญของเนี้ความจริงนั่นแหละคือศาสดาแท้อยู่ความจริงจริงแห่งองค์ของศาสตราแท้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์เป็นความจริงยังไงอ้าวอันนี้บริสุทธิ์จริงยังไงเท่านั้นเองพอแล้วเรื่องพายนอกมันเป็นปริยายอันนั้นต่างอันต่างจริงเขาไม่รว่าเขาเป็นอย่างนั้นนี่ต้องจริงหรืเปาเป็นอันหนึ่งเสี้ยเอาตรงจิตนี่เลยที่เป็นศาสดาแท้ ร่างกายนี้เป็นดลล่างตัางหะไม่ใช่องค์าาุปสนาคพิแค่จริงเป็นดลล่างของศรราสดาจึงมีการลมหายตาจากของนิพพานที่หนุ่นที่นี่เป็นดลล่างของตถาคตดลล่างของพุทธพุทธะแท้นิพพานที่ไหนฮสมมติใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้โลกศูนย์ศูนย์ศูนแบบงมเงากันไปแบบโลก นิพพานไม่สุญแบบโลกไม่ได้มีอยู่แบบโลกี่โลกจะเอื้อเข้าไปถึงได้ยังไงนั่นเท่านั้นเองเพราะนั้นไม่ใช่แบบโลกงมเงันหมือนวางใจปฏิบททัติเฮ้ยไม่เห็นจริงพูดเหมือนหลอกกันเล่นเหมือนว่าจริงต้องคําเดียวกันหนะไม่มีคําสองหอนาทำมาวิ้าเป็นของจริงนันเดียวกันลงถึงใจให้จริงเต็มที่แนละ้วเต็มที่เหมือนกันหมด พระเจ้ากี่มือกี่ล้านกี่แสนดวงหาความสงสัยไม่ได้สงสัยอะไรท่านนถ้าไม่สงสัยอันนี้อันรู้อยู่นี่เสียจะได้สงสัยพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ตรงไหนวะพระสงฆ์นั่ก็เป็นชิลิยาของข้าขันต่างหาพระสงฆ์สาวกพระรูเจ้าพระสงฆ์สาวกรวรมแล้วยืนทำทั้งแท่งอันเดียวกันเท่านั้นพ อ, อนดี๋กําลังจะเป็นบา้าแล้วเดี๋ยวคนอยู่เมื่อยผู้ท่ำกันนี่มันเป็นเลยไมเบี่ยงอ้วบา้าขึ้นเลย มัเดนงเทตะก้รงบาดินมาว่าอย yeah, <c oughs> so the the ่างบีลาว่างอะไรดิขึงขึงเหนือโยมมันขึงใจ่จากันมัมันถึงใจมาพูดถองม่วแล้วความจริงวัม้วันาเอ็ต่กี้เลียมยองหัวพระนี่มันโม้ห่วยใว่าน้าแหัวม้วหัวมองตาเป็นตัวบเรียวเห็นมังไปตรงไหนนี่ตกีเลียมหยีบย่าทำลายหัวพระหัวเนินเต็มวัดเต็มว่าไม่ว่าเทาว่าแก่ว่าหนุ่มว่าไรมิ ถูกี่เลย เ, เอาอยาิ้งเหมือนหมากัดกันี่เลยเอาพระเราไม่ติ้งมันน้าโมโหโดีวะ่ะเดินอยู่กองอยู่ยิงอยู่กับทางอกองนั่งอยู่ยิงอยู่กับนั่งเพราะมันน่ายิงก็เพระน่าเดินไปไหนไม่ได้ยิเด็เยียบหัวตัดแหลกยิ้งไปอยู่ตลอดเวลาเอ้เรามันทําไมจะไม่โมโหโฉันเที่ยวมาเหมือนกับว่าครูมวยนะฝึกมวยให้จนเต็มที่กําลังบังชาหลักวิชาทุกด้านฝึกให้อย่างเต็ม ที่ให้เราขึ้นไปเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยอยู่ปน่งๆมันจะไมโมโหไงครูมวยมันตายอยู่เลยหาว่างี้เนื้กูสอนต้องไม่ได้เป็นสอนะเป็นกระสอบบินหางแต่มึงเขาเตะอยู่กระสอบๆตายแล้วเหรอมันก็โมโหที่ครูมวยมองเห็นหนึ่งเป็นกระสอบแล้วเขาต่ออยู่ปุ่งมันมากๆจะเตะม่ว่าจะสอกจะเข่ามากนะปุ ok ่วังโอ้นู่นโอนนี่เขอยู่อย่างนั้นทําไมครูมวยที่ฝึกลูกศิษย์ของตนที่ถูกเขา ต่อยอมันก็สอบนั้นที่มันจะไม่โมโหอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะพี่เราก็สอนมูอพ่วงก็สอนเต็มเม็เตมกระสอนเต็มพี่เต็ฐานไปในหนุนติเลิมันตอบมันต่อยมันตีตกเวทีไหนก็ตกอยู่ตลอดเวลามันอะไรกันนี่ห่ะพี่มันหน่าโมโหอ่ะวิชาที่จะต่อยให้กิเลสมันหายมันมีนี่มีวิชามวยก็เหมือนกันที่จะต่อยคู่ต่อสู้หายมันมีไม่ไม่มีทางที่เอาต่อยเขาต่อยเอาต่เอาี ขึ้นไปมันจะาต่อยหอิเลสอยู่ด้วยกันมันต่อยเอาต่อยอาฮมันมีหนังเลยมันถลอกฟอเปิดไปหมดไม่รู้ว่าสิ้งไปกี่พลิกี่ปีน่ะมีกิเลสต่อยอ่ะหัวโหมวยขบขันเงยมันก็พมเีชทําปัญหาดีกนอิเลสยาวเงยแหมันก็เป็นอย่นั้นจริงกิเลสกับเราไม่ทันมันน่นะฮึอ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพูดข้อเปรียบเทียบเพื่อกิเลสมันเร็วมันแหลมคมมันไม่ทันอ่้าวเดี๋ยวิชาเหนือมันสิทําไมจะรู้ไม่รู้มันปะกิเลสตรงนี้มันอยู่หัวใจมาพอแล้วเนี่ะแล้วถูกปราบแหลกไปเพราะวิชาใดทําไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสนั่นแหละเที่มันโมโหนะเป็นบนก็เป็นกระสอบเขาต่อยเขาเอาหน้าไว้ตรงไหนลราครูน่ะ เหนื่อเหมือนกันมองไปที่ไหนมีต่ออยเป็นกระสอบมองไปได้เห็นกระสอบเกอนทีกรรมฐานเ่อนทีเสร็จกรรมฐานเกอนทีวิเดียตตอยเอาอทุกครั้งหน้าเมื่อยเวลาวิเดียตตอยต่อยวออ่าพอมาพูดอย่างนี้ก็ดีเมลาต่อยมันกับแหมไม่ลืมนะเหล่านี้ไม่ลืม นะจิ๋ดมีอำนาจนมันเอาจังจริงมันกล่อมได้มือไม้จิตใจอ้อนเปียกไปหมดมันเต่าไม่ได้ถึงพูดอย่างนี้เลยนะเพียงมั น, ลมนไล่มนั่นนะแหละล้มนานๆไปแล้วมนของกิ๋ดมันเก่งมากนะเพราะไล่มนทำมะขึ้นมาไล่มนสติธรรมหรือวิยทยธรรมขึ้นมาขันติธรรมขึ้นมา ตอนนั้นก็ปัญญาทําขึ้นมาเอาละทิ้งแพ้ทีชนะอันไปหลังเอออเาละมีเสียใจแล้วนะที่หนได้คาบังโอ้มันล้มเพราะหมัดเรามีนะนี่ว่ะเอคราเนี้กูต่อยมันล้มคาราบุกจะเตะมันล้มคาราบุกใส่ปังล้มโอ้มันก็ล้มด้วยเท้าเหมือนกันอย่าว่าแต่กูล้มโดยเท้ามันแล้วสื้อมันกูล้มโดยศอกมันก็ล้มโดยศอกกูเหมือนกันอืมมันล้มโดยเข่า เล้มเดือขวามันก็ล้มเดือกระหว่างกูเหมือนกันเราไปมาวิชางมันที่เคยมันเอาเราล้มเราก็เอาวิชางเรานี่ล้มแล้วเหนือมันอีกเนื้อมันเหนือมันอยู่ก็ไปเดินอ่ะที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็แหลกเนี่ยถึงขั้นสติปัญญาเปลี่ยนกายแล้วกิเลสต้องหมอบกิเลสมอก็คืออุบาสกิเลสแสดงว่าเราจังไม่ทันมัน ต้องหาเวลามันโผล่ขึ้นมาซะก่อนนั่นแสดงว่าวเรายังไม่ทันมันหมอกยังไม่เห็นมันเอาอีกเฮี ย, ยขุดขึ้นยกโผล่ขึ้นมาเฮี ย, เ, ยเป็นวิชาธรรมตีปัญญา้เฮี ย, ยจนโผล่ขึ้นมาจนได้ฟาดอื้แแอแล้วแลกถามเรียบในจิตอะไรจะมาโผล่ที่นี่นั่นเอานักเลยตายไปเลยไม่ต้องมันฟื้นแหละถามไปแไปเลย นอนนักรุกชั้นเอกเลยสิไม่ใช่เอกตาเดียวหนอว <c oughs> นี่ไม่ใช่พวกเอกตาเดียวมีตาข้างเดียว <c oughs> เอกไม่มีคู่ต่อกอนนะสิ เ, เ, <c oughs> เนเีเ่ยว่าเอกอือเห็นก็มยมือจางยาสัมอัสเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยแต่อพอทราบหากมันไม่ถึงใจอย่างทุกวันเหมือนทุกวันเราก็ทราบ ไม่ถึงใจท่านต้คิดจมันเป็นเรง่งคลาดาดไม่ได้เต็มไม่เต็มหนยีเ่ยเรามาเต็มแล้วมันไ่โอ้เนี้เสียงตองวันนุ่งสะพานได้ยินชัดชนนั้นนะถึงจะไม่ชัดพอจะทำกระตามได้ยินเสียงเามสะพานอ้วนเนี่ยที่ประตูวัดเนี่ยเอ้ยธรรมะสูงต่ไรสูงก้ยิ่งไหเสียงนี่ ยังท่านกังวานเลยนะเฮ้ยเป็นน้ำเท่าไรเสียงยิ่ดังกังวานแพดเข้มขน้นพัมกันกระบัดเมื่ อ, อนว่าทำทำสูงเทรยิ่งเหือต้วเตีวมันยังไงมือนี่อย่างนี้เลยท่านมีนิสัยถ้าท่านปกับพระกำเนิดท่านมีมือเลยด้วยนะท่านเวลาออกตที่น้มือด้วยม <c oughs> นยลที่ิ่งตกพักเลยหยุดนี่ผมก็ไปด้ย ยอะอ้ออกระถนตกแนะนั้นต้องกาย้อนตัแล้วเป็นไงที่เหลือมีตกสักตัวไหมล่ะนัะ่นอาอ่อนนะนี่มีแต่กระถุนตกนเลยไม่ได้แค่กระถนนุนฟังนะ่นะอ า, าอางนะันอถรู้าถรรพดูร่างนันก็มตัวแต่ว่าดูกิริยาท่าทางันเป็นอาถรรไหไม่มีองค์ไหนเหมือนที่ ใอะไระไธรรมะยังมาพูดอะไรต่ ừ, เหมือนท่านมาพูดนี้ีปติเราพูดเหอท่านเทะท่านครงอไรเยอยเลยนะแต่เททยะโยมรู้สึกกุกกบกดังนั้นล่ะสมมติมันต่างขนกันเพราะผมนี่มันเป็นคนนั้นอย่างนี้นะ เขาจะว่ากล้าหานก็ใช่มันถือท่านเหมือนพ่อไงวะโอ้ยมันมีมีผมแล้วเลี้ยแค่เลี้ยขาท่านสบายนอน ก, กันมึนม่กล้าหรอกนะเลียแล้วก็ไม่ใช่เลี้ยประจบนี่แเลี้ยดูความรักของเราดูความคารวกร่ำนมใสของเรามันชุดเข้าใจเราทุยาท่างเราทํ่ำในทุย่างกับท่านเหมือนกับประจบประแจงนั่น พูดอ่อนนั่นอ่อนนี่กับท่านได้ส บ, บายอุ้มนั้นไม่ได้นะกมันมาไม่ถูกไม่ถูกท่าแล้วก็เทก็อุ้ยก็ว่างแตกหายหมา่ะยยว่าหงายคนเลยว่าหงายหม า, ห า, ห า, หาเล่าเดี๋ยวกินวันนี้มันขึ้นวันนี้ขึ้นตอนนี้อี๋เนะตีปโอว่านี่บักพี่แนี้ลูกก็ได้ขึ้นมาทั้งนี้อี๋ถึงไงเรามางทีเราประมาณมันเป็นยังไงนี่ว่างอยี พ่อแม่ครูอาจารย์ เ, เวลาเทศสอนพระ น, นี่มันน้ำไหลยังไม่เร็วกว่าเราทําไมถึงขั้งเหมือนทังเลยสวดปฏิบูรณยังไม่เร็วกวันไม่ขัง้งเลยเวลาเทศสอนประชานชนเป็นยังไงทลักษณะมเป็นลันกษณะคือกลับไม่ค่อยสะดวกบางอี่างแล้วผมพูนคงต่างกันนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์เทศสอนพระกับเทศสอนโยมไม่คิดต่างกันกอยู่มากวางเลยนะเทศสอนพระ น, นี่นไหลไปเลยอืม ใเกวรรนี้่ม่สะดวกเลยมันจะสะดกแค่ไหนก็งวงปลาหนอกซุมขันบุเรื่องม้งงปลาหนอกซุมนียกไปสวรรค์กันยกไปสวรรค์กันนี่ด้กลับม well ีเ่อเดที่ความนี่งปลาหนอกซุ่มไม่ได้เลือกหนียวเวกเลยงวงไงุ่มดีถ้าจะทาอยู่นี่วรปดีสิสวรรค์นี้พัน็รูอยู่นี่สิมันจะไปดูที่ไหนวะมันว่างไม่าตะกูงดท่านคนบาได้ มันเหมือนกับอะไรมันรูนี่นี่หมดถ้าจะเทียบทุนันั้นี่มันก็นเหมือนเลดามันวาแต่ผมไม่ไว้เลดามันรูยี่นี่หมดขอให้ตัวนี้มันแจ้งซะหน่ะมันวางี่ไปง้มปานอกซมงมันว่านี่เ <c oughs> ขำนผมนับ ส, อ น, สอนนี่สอนนี่กันที่ว่าหัวดื่มผมนี่นอ่มามีขวอคิดอยู่เลื่อนถามท่านน่งะ มันพูดว่าเนมันมีเงินที่มันขึ้นั่นงมันมีเงินขืนเงินเมื่ได้โอกาสเอาแล้วมันประม้วนไปมันเบลืมเหรอคเป็นพอได้โอกาสปั๊มเอาแล้วมันหามขืนด้วยมีปฏิบัติท่านกานจุงเงนไปนี่เอาัปเรื่อยแล้วก็ตนงให้กันเดือดตัดกันเหมือนวัติดแตกตรงนี่เถอะเดือดาแตกปม้วนวัตมือเป็นนี่ ยังมีอ่ะของพระอาจารย์ธรรมาดาผมพูดธรรมาภรนผมไปพูยหลายคนไหนเพิ่งออกมาเคยถามผมนะนะนพระอาจารย์นยีไม่ไปถามไม่ง่ายจริงเวลามีพราเหนี่ยนั้นตั้งแต่สามองค์สี่องไปแล้วท่านไม่เคยถามผมแม้แต่สององค์มีพ้าสองค์อยู่กับผมท่านยังไม่ถามว่าไงท่านก็รู้ในใจผมเพราะผมไม่พูดมันไม่รู้ไม่ชี้อเอาสองสองอะพอมีสองสองนั้นแ่ะท่านเราไม่ขึ้นก่อนท่า น, นถามทันทีเลยเป็นยังไง เอาล่ะอันผู้อะไรมันนีเราก็ภูมิของเรามียังไงมั้งเอาตลางภูมิเราเป็นภูมิเราตรงไหนที่ไม่ลงกันตรงนั้นน่ะมันไจะถกกันนะเมื่อลงแล้วทันทีทันทีทันทีธรรมะขันละเอียดอนี้มัน เอาเรื่อยพระท่านการปัญญาเนี่ยเอาเรื่อยเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งมันค้นทั้งวันนลยมันจะไม่ได้ปัญหาเกิดมาได้คืนนอนมันหลับตลอดรุ่งคืนนอนหลับขึ้นมานั่งอทำแต่งานมันจะเหมันเหนื่อยนอนนอนไม่ไม่ปล่อยมือทํางานอย่างนั้นจิตมันปิศา พูดพระก็เลยแจ้งอะไรเฉยเงี้ยกงวันมันยังก็ไม่นอนอีกมันจะเป็นตายเราใ น, นเราอ่ะครับเข้าสู่สมาธิสมาธิหายมดตอนนั้นนะมีแต่เรื่องของปัญญาโอ้โหกว้วางทั่วโลกว่าทัาเดี๋ยวครับว่าสมาธิหายในตอนนี้มันได้ห ม, มายถึงว่าไม่มีสมาธิเลยนะมันมันทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมด ผร้อมจะตายจริงมันลั้งกันมาสู่สมาธิจนกระทั้งเลยพุทโธเนี่ยถีบยึดกับผมอ่ะคือเอมัดกิตไม่งั้นมันกระโดดไปหางานบางทักกันมาบริกรรมไปพุทโธพุทโธลูกก็คิดมันไม่เผลออยู่แล้วนี่เป็นเพียงมันยุ่งอยู่กับงานต่างหเมื่อมานี่ยคำว่าคำว่าเผลอนี่มันพูดไม่ออกแล้วเนาะว่าเวลามือว่างันนภารามูลก็พุ่งถึงงานเลยแล้วว่าเราเผลอมันไม่เผลอเนี่ย คือเราว่าเขือได้ยังไงมันไม่ถขืพอมันอ่อนทั้งนี้พั้คือมันจิตมันจ่ออยู่นู่นแล้วพออ่อนปั้นมันพุ่งอยู่นู่นเราพรั้เราจึงลัางไว้ให้หนักพล้เอาพุทโธพุทโธถีบยึบมันมันออกไปนู่นหนึ่งดังนั้นต่างหางนะมันไม่ได้มันออกไปโลกสงสารโอยมันไม่ได้ออกแล้วนึ่งมันออกไปหางานังถีบยึบไปมันไม่มีช่องออกแล้วมันก็สงบโอ้ยเราสงบนะเหมือนถอดเสื้นถอดน้ํามนะ เรก็โดนนอนต้องนอนต้องนอนหลวงพุโทพุทโตก็ทโดด ท, ท, ทิ้งลไปจนกระทั่งแห น, นี่ยพุทโธกับความรุนเป็นอันเดียวกันที่นี่มันก็ปล่อดมันเองแหน่เป็นทเรียงว่าสติต้องมีท่านนะมันไม่ใช่แนวแบบที่มันนอนตายนะไมนแหนวพอเรารามูมันจะโดดใส่งานบางคำมันยไม่ได้งานทั้งมันคนมัน หิวเมื่อยลาจะตายเนี่ยข้าวก็หิวอะไรก็หิวทุกอย่างมารับทานนอนๆนหมูมัน ล, ล้มทั้งหลับไปเลยนี่มันเป็นยังไงความความเพลินในงานนี่กำลังสมาธิมันไม่สนใจนะพลังของทางนั้นมันมีมากกว่ามันหมุนเรื่อยๆ แต่เวลาจะตายจริงมันก็ต้องได้ทาอย่างนั้นนานๆทำจริงเวลามันผ่า น, นไปไปแล้วมันถึงรู้ว่าอ๋อสมาธิมีความสำคัญอย่างนี้อย่างนี้นะบัญญามีความสาคัญ อ, อย่างนั้นสาคัญต่อคนละด้านสําคัญต่อคนลวาระหนึ่งเพราะนั้นใครจะมาลบล้างสมาธิว่าไม่ใมีมีแต่บัญญาเดียวไม่เชื่อเลยนี่จะมาโกหกว่างั้นเลยตัวสมาธิใครมาโกหกเราได้ไหะอืเราเป็นมาเท่าไหร่ไม่ต้องทำมีพิธีมีตองอะไรล่ะ เพราะความทำนานของสมาทธิกาหนดเมื่อไหร่มันลงมันเทียมดีนั่นยังไม่นี่ว่าทํานานแล้วใครจะมาโกหกได้ยังไงเมื่อมันเป็นอย่างนั้ น, น, น, แ, ล น, น, น, นแล้วเวลาทุ่มของทางด้านปัญญามันไปของมันไปอย่างเต็มเหนียวจนเลยเถิดแล้วในบงังคับาสมาธิสมาธิเวลานีมันผ่านไปมัน้องรู้ความสําคัญของสมาธิความสำคัญของปัญญาแยกกันไ้่ออกว่างั้นเลย ทำสองประเภทนี้แยกกันไม่ออกแต่ต่างวาระกันพันนั้นเองเวลาจะทําจิตให้สงบอย่าไปยุ่งกับปัญญาอย่าไปเป็นห่วงเอาให้สงบท่าเดียวลงให้สงบเวลาออกทางบ้านปัญญาแล้วไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิมันยิ่งไม่ห่วงอยู่แล้วมันก็ผึ่ง่ลยมันเหนื่อยแล้วรู้แล้วเอาพักอยู่อครับเพราะปัญญาก็คือกิริยาของจิตกิริยาของจิตก็คือการทํำงานมันจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย มันต้องเหนื่อยเหมือนกันแล้วพูดถึ ง, งอยองแล้วมาถ่ายอุปสนาคอะไรซ้งเยอยาามากเลยนะเพราะค น, นพูดมาจากความจริงคนหนึ่งไปจำประมาณราคาแต่ที่หนึ่มันไม่เข้าความจริงได้หาประมาณไม่ได้ทีิเลยกลายเป็นเดรวนลุบไปหมดเป็นขึ้นจากใจจริงแล้วสงสัยที่ไหนป ก, กติจิตมันต้องเหนื่อยพัก จะว่าไงอย่พระพุทธเจ้าภาษาบอกท่านเดินโยกรมนางท้องที่ภาวนาตลอดท่นนิพพานท่านทำเพื่ออะไรมันก็บอกในตัวรู้สงสัยอะไรแม้ท่านจะไม่ค่าที่เด็ดตัวก็ตามระหว่างขันธ์กับจิตเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องปฏิบัติต่อกันเช่นเดียวกับสมาธิปัจจณาเวลาจิตใจมันทําการทํา ง, งานนั้นมันจะเหนื่อยเหนื่อยก็ของเรื่องของขันธ์นี่แหละ แต่เพีะไรเหนื่อยจินนั้นเหนื่อยได้ยางไงถ้าจินนั้นเหนื่อยน่ากิดนั้นก็มีเวทนาอะไรอีกเน่มาแพ้ท่าขันนี่แหละมาพงเสียมีกำลังแล้พอชุดพลากันไปสอนแล้วสอนเสอนหมูสอนเพื่อนใหน้มันจริงมันจังนะั้นทุกอย่างยาราลี่เหลวละลายละล่อลแหลนนะการค่าที่เด็ดไม่ใช่เลือกล่อแหลนนะยีาภายนอกทำอะให้จริงจังทุกอย่าง เรื่อนี้อาจจะประมวลเข้าไปข้างในถึงเวลามันประมวลออกไปแล้วมันจะกินของมันอย่างนั้นแหละท่า น, นี้ตายแล้วแหละแล้วก็วจะไม่ได้เรื่องมันจะไม่เห็นเรื่อ ง, องความกินอย่างนั้นนะใคร ง, งูมามัน ม, มาไล่เต็ี่ไปเสียนี้เสียง คุณจะขอมาอยู่ก็มีเยอะนั่นเนี่ยแต่อนนี้มันก็แน่นอยู่ตลอดอยู่แล้วจะทำไงมันเซ็งอะไรพี่ชายของมีชีวงวังก็อยบวชจยากมาอยู่ที่นี่เราก็พูดว่ามันก็เต็มอยู่ได้ทําไงระหว่างนั้นมีมากต่อมากคุอยางมาอยู่เราก็เห็นใจครูบาอาจารย์ที่จะเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวก็ร่อยร้อนไปทุกวันทุกวัน เราคิดเห็นใจของเราเวลาสอนแสดงรยครูอาจารย์อันนี้เรามาเทียบหมู่เพือ่อนที่ผมถูไถไปอยู่ทุกวันนี้ก็พอเพาะอีกนี่นะแม้กระทั่นสาจานที่แสงผมบอโอ้ยผมเห็นเขาปามตั้งเมื่อไรแล้วเสียดายไรหรือเปลน่นี่มางั้นคือมีแต่วทวนเรานี่ยจิตเป็นของมีคุณค่าก็รอาศัยครูอาจารย์ผู้คอยแนะนําชุดล่าไปอย่างนอา ก, ก็เป็นแม่เหล็กอย่างที่เราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูาอาจารย์ท่านไม่ อบรมตังสอนอะไะอยู่ธรรมดาอยู่นี่ไม่ใช่อันนมันก็ดูก็ะดึนเพราะท่านเป็นแม่เลยมันเป็นกําลังใจอบอุ่นดูกท่านเย็นกับเย็นถ้าอบอุ่นก็อบอุ่นนั่นเราคิดไปโม้มาเทียบเทียงกับหมูกับเพื่อนมได้ทนนะตอนมากมันก็อะไรมันก็ต้องช้าอืดอาดเหนื่อยหน่เป็นธรรมดาเพราะ พามากของก็ก็คือคนมากขึ้นงานก็ต้องมากขึ้นตามๆกันการปกการฉันก็ช้าเราจะทํายังไงได้หวัวใจมีทุกคนมุ่งมาด้วยกันก็ต้องทนเราบ้างเนี่ยเราก็คิดเ่าเห็นไม่คิดยังไงว่าเวลาผู้มาวบรมทึกษาให้ทั้งอกตั้งใจ เวลาจากวัวยารย์ไปให้เอาหลักไปพูดปฏิบัติมันเป็นหลักเป็นเกณฑ์กิจชีไม่ น, น, นี่หลักนี่มับาก่ะหลักปฏิบัติอย่างน้อยมีหลักปฏิบัติอมีหลักใจเป็นหลักสำคัญดวลขึ้นเวทีเร่หนึ่งไปเดินกระสอบห้อยตรงใเอินอยู่บนเวทีเขาต่อยมันกู มันไม่มากมนก่อวางความเลื่อเทิ่อยู่หรือกันให้ต่างคนต่างเป็นธรรมให้หวังชนะตัวเองเสม อ, อยาไปเอาชนะกับผู้อื่นผู้ใดเติมความผิดทั้งนั้นเป็นเรื่องชั่วเหลดทั้งมวลให้หวังเอาชนะตัวเองเสมอการมองกันให้มองอในแง่ไม่ตาในแง่ให้เอา pairwise น, นั่นแหละคือความเป็นธรรมในการมองกันอย่ามองกันในแง่ร้าย ผิดถ้ามัน ม, มาหาความร้ายกาจกับผู้ใดมาแกลงอัดต่ำมีควรจะให้อาภัยกันได้ขนาดไหนต้องให้เป็นอย่างนั้นเรื่องความไม่ลงลอยกันความกระบะบแวล้งเป็นเรื่องของเด็กเป็นเรื่องใหา่มากในวงปฎิบัติอย่าให้มีญาติยังขาดนะเพราะเราเองก็เสียกําลังใจที่สองสามหนุ่มวันมาเต็มแม่เต็มหน่วยเต็มที่ยังฐานแล้วยังมาตีเด็กต่อหน้าช่างเขาว่า มเมื่เราวิว่ากันต่อในวัดโนวงวัดนัน ว, วาก็เหมือนกับมาตีกันต่อหน้าเราเหมือนว่าเราได้สอนให้เป็นนักมวยต่อยกั น, นอย่างนั้นให้ต่อยก้เลยต่างหากมันคาย ห, หมดเลยไม่อยาให้มีเป็นขาดลู้กี่ตัวมันจะโผล่มองมาเนี่ยัว่าตัวดิบตัวดีว่าตัวรู้กัวสลาดนี่แหละตัวพี่เลส เมื่อมันว่างงั้นแล้วใครมาแตะไม่ได้นะมันจะลุกคือขึ้นอ่ะกองไฟกองนี้หลวงพ่อแม่ขรูอาจารย์ผมที่ว่าผมหนักผมมันหนักเรื่องเราเนี่ยพวกคุมหมูเพื่อนท่านไปอยู่สมาธิท่านเราไปเองทั้งนั้นนี่ถ้าไม่กล้าทนานี่มุนไปไวแล้วไปทําให้ท่านหนักใจยังไงมันไม่สงควรอย่างยิ่ เนี่ยเราละมั่นระวังอนี่จึงต้องในควบคุมพระเนินสภาหนูต้องประชุมกันเลยนะเรามีเหตุอะไรขึ้นมามนประชุมสพาหนูด้วยมันก็เป็นบทเรียนมาทั้งนั้นแหละผมหนักไปเบียดบนนะอยู่กับพ่อแม่คุณอาใจาเกี่ยวกับหมู่เพื่อ น, นะนเรืความสงบเยือบน้อยในวงคณะให้ท่านได้อยู่สะดวกสบาย ตาต้องสวดต้องสอ่องอะไรๆเราต้องหนักกว่าเพื่อนห่อยเพราะปกติผมก็นิสยัยมันคล่งองตัวอยู่แล้วด้วยปัดกวาดนี่พอสว่างพอตอนเท่าให้มันอยู่เรื่อยนั่น ด, ด, ด้านให้ปัดกวาดตอนเท่าผมพาปัดกวดาดท่้นว่าอะไรผมเป็ น, ปนผู้พาทำเพราะว่าปฏิบัติเราต้องคอยคอยจะมุดกดขันเรื่อย ง่ายที่สุดคือเดวของยมกุฏิท่านเราก็ต้องไปยืนอยู่บันไดเราก็ปัดกวาดใต้ถุนเสร็จเรี ย, ยแล้วเราก็มายืนอยู่บันไดคอยดูบ้านเองถอาสื้อครักมาเราสั่งไว้เรียบร้อยอย่าให้ก้าวขาตะนะใครไปเอาของอันใดลงมาให้คนนั้นเอาของนั้นอยาก้ากขาย่ันจะร่วมล่ามกันบเราสั่งเราเป็นคนสั่งเองเรื่องเหล่นี้คอยดูแลหนัก เหมือนกันท่านเองท่งนานคงจะทราบเราแหนะแกว่าท่านทราบเวลาเราเวลาท่านออกไปเที่ยวดูอาการท่านไม่อยากให้เราไปแต่ก็มันก็ท่านก็นมองเป็นธรรมคือความไม่หากไปก็เราก็พอทราบได้เวลาเราไปแล้วพระหนึ่งเป็นไงเนี่เวลาเรามาอยู่ที่นั่นพระหนึ่งเป็นไงท่านก็นจะทราบ ดูการท่านไม่อยากให้ไปถึงบางครัง้งบางครั้งยังถึงต้องถึงคูอ ป, ปัญห า, านี่การทีด ป, ปัญหาเอางตอนนี้เราคองข้ามไปเฮ้ยว่งงางงสมหานั่นไปเชี่วที่ไหนมอยู่ด้วยกันมั้งแหน่ท่านใจ่แล้วนันมด ถ้าท่านม่ขายเงให้ผมพูดไม่ได้เลยนะผมก็ลงไม่ถือผมไม่พูดพราพูดเท่านั้นก็รู้แล้วว่าท่านเมตตาทา่านั้นแหละถือท้าแล้วก็ค่อยเปิดโอกาสให้ถ้าดูก็ได้กําลังไปก็ได้กําลังอยู่ก็ดีทันวันถ้าอยู่ได้กําลังไปไม่ได้กําลังอยู่ก็ดีถ้าอยู่ไม่ได้กําลังไปได้กําลัง อยู่ก็ดีถ้าไปก็ได้กำลังไม่ไปก็ไม่ได้กำลังอยู่ดีกว่ามันมีแรงมันกระปรนะอยู่ก็ดีไม่งสี่ท่านคุณเป็นโอกาสให้เราโอกาสอะไรการไปสาวหรือการถึงเรื่องกิจการอะไรขอไม่กิจการก็ที่อย่างเต็ะะม เรางน้างเพืระหว่างนี้อ่ะเออไปแล้วห้เลยนาผมหาตามเนะนี่ซ่ไปางเะ้มนี่ก็นี่ก็เป็มากไป้นไปเจ้องค์อ่ะไปองค์เดือนอ่ารอชื่อนี่ให้ไปยุ่งทันนะปัญหาไปองค์เดือนนะไปยุ่ทันนะบอกเขาแล้ว เราก็ไปอย่างสบายถ้าเงินก็มีที่อาศัยอยู่แค่นี้เราก็ไปบางแห่งก็ขนาดไม่สาทไ่สี่กิโลไม่ห้ากิโลก็มีบางบางปีก็ไปไกลกีสิบห้าสิบกิโลหรือเป็นร้อยกิโลก็มีมีทคือข้ามจังหวัดก็มีไปจังวัดลงกัรศินษกก็มี อย่ น, นี้แต่เวลาไปพอก้าวันสิ่วันลงไปแล้วท่านจะพูดด้วยพพูดคำไหนก็ตามแต่พระเลนต้องต้องเล่าให้ฟังทั้งนั้นเวลาเรามาไ่มานไอ้เ่อหนนานหนักบ า, างที่ก็สร้างปัญหาอยู่เลย ท, ทุกท่านกลวบาง <c oughs> ที่ทเป็นท่านอาจารย์นั่นเป็นภาษสาดบระ ขึ้นภาษาขึ้นภาษาอันกฤษไม่คว้าเป็นภาษาเราขึ in, ance, Whoa, be, so, ้นเป็นภาษาของเรานี่เลยแก้ปัญห่นขนมากขึ้นเป็นบาลีเท่านั้นฮึไม่คาถาเพียงยวมาแก้ละแก้พระธรรมหาล่างอยู่เลยก็คงคงคเที parity, ่ยอยูพอมากงรอทังแล้วคนมาคาถาันขืน พูดขึ้นมานวันบนแก้กุไร้ห่วิดก้อยแกลว่ทำมาหาหรอกาม้าก็ใช้ปึ้งเลยเนาะนิ้้าบาลีปึ้งเลอ้าวใครเป็นมหาแกลอธิบายว่านี่เาเป็นมหาัเป็นหงอ้าวขาเป็นมหาแกลในี่เเป็นมาหาเมือแกลบอกเขาว้าวว่านี่เขาเป็นมหาหรือเปนะลกยัน นาไปรซ์เลยนอนนก็แปทนเนีะเป็นเบาะหรือ่อ่ไม่แล้วแปะในของฆ่าทารกนขวัป้าความาขืนความกันโดนลความเข้าใจขืนความกันเลยถ้าจิตอันไม่ข้นก็ผู้ใดจะไปถามบุญมยากต่อขืนเขาจะของาูกจะของเลยไปอย่านั้นนะผมนีสของมใา่คือไปแลั้นมันทาเต็มตามสาสายเของ อยู่ข้หมู่กับแม้แต่สาโผมยังไม่ะสมมะดวกนะตอนผมยังไม่มักไปครับสององค์สาองค์ไปก็กกไปกไปโดยการต้นทางให้ยออกทังแย ก, กันมา <c oughs> ผมมองเดียวผ ม, มนสัยยาไปเรเอาละเดินกินเขา <c oughs> ไม่ค่อยกินนูนแหละหาไม่อดล่วล่ว า, ว น, า, านนะถ้าอด น, น, นันกันนะพอทั้งแรงนี่นะเราชอบงั้นไม่อดมากทำไปเงินยินอาแรงนี่มั น, น, น ปอ่นละวันสี่วันหาวันเั่านั้นสามวันวิทยานี่หั่นโบยุดได้ละเอาเยยนี่เป็นประจำเยเป็นใสเพรพอนำดินเดินตัวพิวนั่งพอนำเหมือนหัวต่อมันมีกระกกงงงงันเลยไปนี่ มไม่นเงี้นรายวห้างบ้านเราสมาธิมันถูกกันแล้วกเงียบพอถึงการปัญญานี่มันก็เป็นน้าไหลห้งมันมันก้าวเข้ญญามาในงานจริงไม่ได้ไปอยู่โดดเดี่ยวผมก็ดีตอนท่านอาจะเริ่มเริ่มป่วยแล้วตอนการสมาริอยู่ ด, ดเดียว ถาขั้ปัญญาเองไม่ค่อยจะดุจย่ออะไรมากนะเหมือนขันสมาธิยิง่งขั้ป่วยหนักปัญญาของเราขั้นปัญญานี้มันก็ยิ่งหนักเท่านั้นว่าจริงพูดเลยเต็มปาว่าท่านเทียบทางวิบาสขันแไอเราเทียบเทียบทางใจท่านหนักเท่านั้นเราก็หนักทางนี้โอเคทางกอมก็ปั๊บขึ้นหาท่านตอนบ่าย ผมขึ้นเวลาไหนก็ได้ผมนอกบัญชีแต่พันเอ็นจะไปขึ้นหาท่านพันไ่ได้นะผมขึ้นหาท่านเมื่อไรก็ได้ก็ไม่เคยว่าอะไรผมยยยยนอยานันอยู่คนเดียวอย่เงี้ยนอนนอนคันป่วยปักขึ้นไปเลยมีอะไรผมันก็ขาดเลียกันอย่างนั้ น, ร, น, นรู้สึกว่าเมตตามาก เ, เวลาเราจะไปเกี่ยวรูอาการของท่านนั่งอย่างนั้ไปผมเป็นเกี่ยวกับความสงบของก้อนเรนละมารเป็นแบบหนึ่งผมเป็นอย่างนั้นถนะอดแลเอาจริงนี่กับผ้ากําเนี้ยขี้เหมือนกับผมเป็นหัวหน้าวัดนี่นะคำอยู่รับๆนี่ละเรียกมาขี้จริงๆไล่เบี้ยนก็นจริงมากความหมู่ค ว, วามก้อนยังทำไมวางั่นเลย ผมม like, ันเคยย่างเสียงกันเกี่ยวกับลายของท่านคนตาโปโปน่ตาเชีนโม่น่อยมันมาฟังผายด้อเน้นหนังมหน่าคือมันนะขึ้นไปแล้วหัดื้อมันาฟังผายมันย่านถ้วผมท่นแล้วในวันโว้ยมันย่านเพื่อจีเน้นตาโปูล่ันมันเื่อว่าไงนะลูกสาวทุกมาลูกน้องสาวท่นลูกน้องสาวหน้ามันก็หนามันเชื่อหวานมากันตอนนี้มากวนมูคนเวลาคนพูดกับน้องสาววนะ นี่ก็ได้ขอคิดด้วยกันนี่ผมนี่จอมป่านพิกเลยกุฎิยมเวลาน้องสาวน้องสาว ม, ม, มาจากวนมาเยี่ยมพูดกับน้องสาวนี่เหมือนพีดกับน้องไม่มีจริยาของอ น, นั่นเลยทีเล่าว่านงววางฟัเราว่มีดอกอันเลิกจะไปยกทวดเพิ่งยังไงนั่นนะมันไม่มีได้ละผมเนี่ยพูดเป็นแบบพีดกับน้องจริงพูดกันบบเป็นแบบเหมือนข่าวพาเลยนะ ย่ามบ่ได้ผ <z SC> <noise> like ิดจากถิ่นท่ำกกิยางคนพูดเหมือนคนยังในวเงื่อนกันเล่ากันนันแหะแปบนั่หละคนพูดอย่านีู้ดนงแม่น้อแม่พี่กับน้องพนโปรดสนใจเขาเลยอกเวลาคนพี่กุดกับน้องสาวคนน้องสาวหล่าวแม่เขาม่ทุ่มไม้ละนั่นก็เท่าดเนี่น้องสาวห่าน้องสาวหพี่สุดท่องืบวันอีวันมินมึงี่เนี่ยเราบอกกันเลยมงนนี่เังนี่ กูมาไป่กันกูก็มากงสิเขาบอกว่านั้นน่ะเาเป็นเหมือนพี่กำนองจันแต่ท่านนั่นก็ได้ผมก็เจ้าวันนี้ใส่จันอยู่แล้วได้เพิ่นก็หันลงไปใส่กันเลดโอ้ยได้ก <ls> ันเต็มชั้นช้รวดเด้อ๋อแม่แมแม่ผมก็เห็นเป็นวัใส่พริกกระนองกันแล้องปากพริกได้กูสันอยู่กคมเนี่เห็นวันนี้ใสกรนองเป็นพระาชเต็มตัวเป็นนั่นเต็มตัวเพิ่นก็ย้อนองไนลงเต็มตัวอ้ยูันะ กูอ๋อ่มกังกันกูยังสีเลยมกูไปงันกันูเที่ยวอีก็ว่าวไนั่นคนมถามมาพวกนั้นเคนนี้เดถามอะไดิตกอนุ่ม่เคยนั่งับเพื่อเธอดอกคนมาถามเพื่อเอาหน้าใจน้องสาวหรอางูจ้ากูดิธรรมดาเสนใจอีืงเพะนั้นก็วาวเพื่อให้เป็นน้องเป็นกาลังใจดีใจมาเยี่ยมพีทชายผี่้ายเป็ว่าซึ่งนั้นั่งดีเป็นความถนิยสนม คือตะเกาตะหลังตะเดิมปฏิบัติถึนตัวดีใจถ็งัวเบิงนองสาวก็ยิ้มเห็นไหผมดูดูเลนสนุกดูเพิ่นจอมป่าพริกสันติพริกคขมมาอ๋อถามเพื่นเมื่นั่นเพื่นนันไหนทีไหนทาไปอ่าเราก็บอกเพื่อนไปนั่นเดี่ยวกินก็บอกไปคุดพท่นอนลูกทบ้านก็ได้กุ้ง นั่นกูก็เต็มไม่เต็ ม, มนเลงยังนึงกูก็เทาแล้วก็กูขีคันไปก็่าไปกันเลกู้อนดูแลดบ้นอนไหนขี้้อนสวมันวาไปเนว้วไป ไ, เไปได เ, มมเดียคเรียบมาด็มันนี่ผมนี่มาพินาเอานล้มาพินาะรขนี่ใสบ้าแล้วลอยอยมันบดยุดไดก็มัปพิจนาจป่นพริกหลา ย, ายั้นหลามนี่พอนั่งเช้าไปแล้วหคิามันไม่เคยเห็นนี่ดอกักเลย บิดหายไปนะนี่นี่ละแ<ด>มตุม่าลูกคนนี้เร า, า ล, ลูกแมตุม่าแมตุม่าเป็นลูกของแม้วันแมวันนมันเดือดตาโปโปตาเจมโม่เราก็เลยพูดยังเสียงเนป็นชีวังเลป็นล้านเป็นชีวัาไม่เป็นล้านหลังเลนเป็นวานนาั น, น, วนกับนอ้องสาวลูกแม้วันกับแมตุม่าแตเป็น ลานไอู้ปแม่ตุ้มมาก็เป็นเลยอ่นเล่นเล่นมันัวเดือดใดกว่าน่อยมันวงแต่ก็น้อยขนาดนั้มันทำยางไปแล้วกขวดถึงเหมือนมันไฟังบวาหวยมันทายอาคนตาโปโปนี่แต่เดีว่าเนตาโโปตาเขดโมไมด้พักผายง่ายบอกคนว่าเนี่ยคนก็ไปสั่นดิคนไ่ได้เอ็นไปน้ามันีีอยพักผายง่ายเพราอนตาโปโปตาเขดโมเนี่ย คนม ing, ie, Stone, ทุทลูตัวเดิมเป็นเป็นแบบวิวีดีถ้านั่นแหะผมขอท่านผมว่ไรเนาะผมยังมึงสุดๆมันก็เป็นถ้ำอะไรเนี่ยนี้มเป็นประจันได้นอยเรียกเหมือนกันแหละเดินนกรเนี่ั่กตัวนึงน่ะมีหนาหลังโอ้โหนี่ผมก็ถึงใจนี่อะไรตาิโหม่ตาโปตโม่จะฟังไผได้บอกคืน ตัวมันทลุตัวเสดนมามันะสมกับทีม่มันมาฟังไผ่หลีมันเรื่องอะไรเริ่มนม้ำอะไรเนี่ยมีนา น, นาขนองตอไปด้เสียงลั่นตัวนี้มมีอะไรอะไรมัม่งที่นวันนี้คุณนานก็ทุงือแต่เั็นียังไม่ค่อยแสดงเลยมาเทศมากระดุมแลวันเวลาใ้ตอนหัที่จนาหรือค่ ตั้งใจนะทุกองคทวงเอาให้จริงให้จังอย่างที่เทศแล้วไม่ผิดแหละอกิเลสเป็นยังไงเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างไรทำวิเศษขนาดไหนเนี่ยให้จําให้อีกเดี๋ยวนี้จิตของเรามันมีแตกิดลสเยียบย่ำมันไม่เห็นความแปกความประหลาดของพระเจ้าอย่างนี้พอมันได้ขันนี้ลดของทำคันนี้ลดของกิเลสคันนี้มันชนะกันไปมันก็ปล่อย ความเย็นมั่นถึงมั่นในรสชาติประเภทนี้กิเลสประเภทนี้ลดเกินไปรถของธรรมถุงเกินไปมันก็ลดเหยียบอันนี้ลงไปลถของธรรมถุงไปเหยียบเนื่องไปป ล, ไปล่อยเนื่องไปเลื่อยเลื่อยเลื่อยเมื่อเต็มที่แล้วปล่อยหมดนักอะไรจะเลิศยิ่กว่าธรรมชาตินั่นไม่งั้นจะปล่อยอะไรได้ยังไงดูสิเต็มที่แล้วก็ในที่สุดตัวเองก็ปล่อยตัวเองเพราะอะไรเพราะไม่มีกิเลสรสชาติอะไรอยู่ในนั้นมีได้ทำล้วนๆยึดอะไร มปัจจุบันก็รู้เท่าหมายถึงอันนี้